พระพุทธเจ้าสร้างคุณงามความดีมาตลอดเวลาไม่ทอดทิ้งทาบารมีสิบทัดให้สมบูรณ์จนถึงสามสิบทัดกว่าพระองค์จะพ้นจากทุก์ได้ใช้เวลายาวนานมาก ส่วนพวกเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามคำสอนของพุทธเจ้าว่ากำหนดพุทธโธบริกรรมนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการบริกรรมพูทธโธพุทธโธใจล้วก็สกบเย็นสบายปลอดโปร่งไม่ย่อท้อ ในการทำความดีจึงเป็นที่น่าอาจจัศจรรย์มากพระพุทธเจ้าเตระพระองค์นั้นนะ่ะได้สั่งสมบารมีมามากมายกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าพุทธโธสัมมาสัมพุทธโธอิติวิโสภควะ อรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนพุทธโธนี่แหละพหุละกิเลสซึ่งเรียกว่าราคาความกำนัดยินดีโทสะความโกรธโมหะความหลงตัณหามานะทิฐิพหุละได้หมด เมื่อก่อนพระ อ, องค์ก็ละไม่ได้สังสมคุณงามคุณดีมาเรื่อยๆในที่สุดพระ อ, องค์ก็หลุดพน้นเมื่อทําความภาคภพเพียรอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จิตของพระ อ, องค์ก็ปราศจากกิเลสในขณะที่พระ อ, อรุณก็จะขึ้นวันเนพียรเดือนหกพออรุณเนี่ยพอใกล้ๆจะได้อรุณเนี่ยพระ อ, องค์ก็ สามารถชำระกิเลสราคาโทสะโมหะได้หมดสิน้นกิเลสน้อยใหญ่โพงเอาชนะได้หมดซึ่งเรียกว่าได้แต่สรู้ได้ตต่สรู้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้สั่งสมคุณงามความดีมาตลอด เมืววม่อพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วโอ้มันมันยากมากกว่าจะได้พระองค์ท้อใจว่าจะสอนยังไงนี่แต่มันผู้ไม่นะจริงๆก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่หลุดพ้นเหมือนกันเถิดโดยความเมตตากรุณาของพระองค์ประกาศสอนศา ส, สนา ให้คนในรู้จักว่าธรรมะคําสั่งสอนของพระองค์เป็นไปเพื่อนิยารรมในกระทาคือเป็นธรรมเครื่องนําออกจากทุกข์ปฏิบัติไปเหมือนกันแหละเราพวกเราเนี่ก็วปฏิบัติไปเหมือนกันเอาใจไว้ที่ใดที่หนึ่งนึกพุทโธพุทโธอยู่ให้คิดว่าพุทโธนี่ก่อจะได้ มาหนยากเสร็จยากเราทําตามของพระองค์มันก็ไม่ได้ยากเหมือนพระองค์ทําตามคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ใจของเรากริสุดหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายใจเราก็เป็นสุขใจเราก็เบิกบานใจเราก็เก็มใส ให้ปฏิบัติโดยการกำหนดบริกรรมภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธก็จะเห็นทางออกของชีวิตว่าโอ้ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรามีชีวิตมาได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบร้อยปี หรือกว่านั้นบ้างก็ลองคิดดูสิเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ต้องเอามากไม่ต้องเอาหมดทั้งที่พระองค์ตัดไรทั้งหมดอนุสติสิบมีพุท ธ, ธานุสติเป็นต้นและอนาปาอนสติทำความภาคความเพียรปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้า เพียงเรามากำหนดนึกพุทธโธพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้เดวเนี่ยไว้ในใจก็เห็ดอยู่กันแ่ะจิตใจก็สบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่หนีจากพุทธโธบริกรรมพุทธโธไป ใจก็เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆหรือเรื่องต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูทางหมูกทางดินทา ง, ทา ง, ทางกายทางใจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานอยู่ที่ไหนก็ระลึกถึงพุโทโธไว้ใจเราต้องสงบเป็นหนึ่งแน่นอน เมื่อใจเราสงบแล้วเราเอาไปทำยังไงบัดเนี่ยเมื่อใจสงบแล้วก็เอามาวิปัสนาขณะนี้เดี๋ยวนี้เราเห็นอะไรอยู่เรารู้อะไรอยู่ใจของเราก็สงบดีอยู่ทำยังไงถึงจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้อมพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์ในกายนี่แหละ คือสมาธิทิเห็นทุกเห็นทุกเห็นอะไรคือความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเก็บเป็นทุกความตายเป็นทุกความพัดภากจากของรักของชอบใจเป็นทุกปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาก็เป็นทุกตัวตนของเรานี่ ก, นก็ก้อนทุกอันหนึ่งหรือก้อนธรรมอันหนึ่งเหมือนกันนะนี่แหละ ให้พิจารณาเข้าไปตรงนี้ตรงที่กลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าจานี้เราพิจารณาอยู่บ่อยๆไม่ใช่พิจารณาให้มันตายนะพิจารณาบ่อยๆมาคอยทำทำใจให้สงบอยู่กับอารมณ์พุทธโธบ่อยๆให้คิดว่ายากแสนยากกว่าพุทธองค์จะได้คำว่าพุทธโธมา ส่วนพวกเราไม่ถึงปั่นนั้นทําตามคําสอนของพระองค์เท่านี้แหละเราก็สามารถได้สัมผัสหรือได้รู้สิ่งที่ประเสริฐเลิศล้นด้วยตัวของเราเองเลยอเราจะเห็นความจริงคือธรรมะหรือว่าคําสั่งสอนของพระเป็นของน่าอาจจัศจรรย์น่าอาจจัศจรรย์มาก ผู้ปฏิบัติตามอย่างเราปฏิบัตินี่ยคือกำหนดผู้โตรผู้โทไวน้นี่เราก็มีความทุกข์เย็นในใจใจเราก็สบายใจเราไม่วิตกกังวลอะไรเลยใจเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นเมื่อตั้งเที่ยงตั้งมั่นแล้วก็เอาไปพิจารณากายเนี่เห็นเป็นกายที่เป็นก้อนทุกข์ทั้งกายและใจแหละเป็นทุกข์ กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ทุกข์เป็นของควรกาหนดรู้ไม่ใช่หนีต้องกาหนดว่าทุกข์นี้เกิดจากอะไรทำไมถึงมีทุกข์มันเป็นทุกข์ได้อย่างไรเพาพระพุทธเจ้าออตรัสว่าทุกข์เพราะเกิดถ้าเราได้เกิดมาแล้วก็เห็นทุกข์มาแล้ว แต่เราก็ไม่รู้เรื่องเดืองสาอะไรหรอกพอใหญ่มากก็เห็นเห็นความไม่สบายกายเห็นความไม่สบายใจเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆจิตใจวันไหววุ่นนี่วุ่นวายไม่สงบเงยื่อกเยินลงไปได้ต่อเมื่อเราเป็นผู้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างยิ่งดีขึ้นพอเห็นแล้วว่าเราเกิดมาในมีทุก เกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์เราอย่างนี้ทุกข์อันนี้เราจึงมหัดภาวนาหัดรักษาศีลหัดบำเพ็ญคุณงามความดีหัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเราทำอย่างนี้ไม่ใช่ผิดทางมันถูกทางอยู่ ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายก็เคยปฏิบัติมาอยู่ทําเป็นตัวอย่างพวกเราอยู่พวกเราดำเนินเดินตามที่ท่านสอนท่านเนี้ยครูบาอาจารย์แนะนําคําสอนในหลักธรรมคาสอนอันใดเราก็มีใจน้อมรับทำมั น, นั้นเข้ามาปฏิบัติเราก็เห็นความสงบความเยือกเย็นที่เกิดขึ้นในใจเห็นโทษตน ได้ปล่อยวางทิ้งไปซึ่งขันห้านี่ก็ทิ้งไปวางไปไม่เอามาเป็นทุกข์ในใจวางจนไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่สติรู้อยู่เท่านั้นให้ปฏิบัติไปอย่าลังเลสงสัยว่าอันนี้ดีไหมอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นริพสนาอย่าไปคิดศีลปริภาวิโต สมาธิมหาพโลโหติในสังโโสศีลเนี่ยอบรมให้มากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเป็นทางให้เกิดปัญญาปัญญาอบรมให้มากพิจารณานั่นแหะเรียกว่าปัญญาพิณาเห็นชัดเจนในอัตภาพตัวตนเนี่ย อบรมให้มากทำให้มากจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความรู้ดีรู้ชอบเป็นทางนําออกจากกองทุกได้ให้เราเห็นชัดถ้าอบรมปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นแล้วอะไรจะเกิดต่อมาอีกก็คือความมีมุตหลุดพ้นหนีจากกองทุกได้ ไม่กลับมาทุกข์อีกไม่หวั่นไหวแม้จะยากปันเลยก็ตามอย่าท้อเพราะอันนี้เป็นทางดีเป็นทางหนีออกจากความทุกข์เป็นสัมมาปฏิบัติคือปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบการกระทานีเป็นการทำดีทำชอบทำให้ตัวเองทำให้เกิดให้มีในตัวของเราเอง ในกาในใจของเรานี่เลยเห็นชาติหมดความยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายในตัวตนอันนี้ตาก็ปล่อยวางได้หูก็ปล่อยวางได้จมูกปองไว้ได้วางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี้ ยังไม่มีบุญที่จะปฏิบัติเอาชาติหน้าดีกว่าโหชาตินี้เหตุตากันอยู่ยังปฏิบัติไม่ได้แล้วจะไปคิดว่าชาติหน้าเราจะได้อย่างนี้มันคิดผิดไปแล้วชาติหน้าค่อยมาปฏิบัติชาตินี้เวลามันล่วงไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้หรอกพูดง่ายว่าแก่แล้ว การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นของคนแก่หรือคนหนุ่มมันเป็นของทุกคนที่เกิดมาได้นับถือพระพุทธเจ้านี่มันเป็นของทุกคนทุกคนปฏิบัติตามนี้ทําใจให้สงบนี่แนหะละวิธีร้อให้ใจสงบมันก็มีอยู่ก็คือบริกรรม หลักธรรมอันใดอันหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปว่าว่ามันเป็นสมถะมันไม่ใช่วิปัสนาความเข้าไม่ไม่ใช่ทางพ้นทุกอันนี้ก็เข้าใจผิดคนภาวนาผู้โทเป็นแค่อุปจารสมาธิโอ้ยคนไม่ทำไม่รู้ คนทำรู้คนฝึกคนหัดอยู่รู้รู้ว่านี่คือทางคนถูกถ้ามันไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันจะพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเราอยากคิดว่าได้แค่นั้นแค่นี้ไม่ถึงมรรคผลนิพพานมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน มกรคผลนิพพานเป็นของสูงเป็นของยิ่งใหญ่อาจารย์นนยกไว้แต่เราปฏิบัติให้เห็นใจของเราสงบอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกคืนทุกโอกาสไม่ได้ไปโทษคนอื่นคนไกลไม่ได้โทษใครเลยมีแต่ตั้งหน้าตั้งตา ก, กำหนดใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธใจมันจะไปไหนมันจะไปวุ่นวีนน่ว่นวายได้ที่ไหนมันก็ต้องตั้งเที่ยงตั้งมัน่นเป็นสมาธิในที่สุดเมื่อสมาธิเกิด ปัญญาก็คือปัญญาเกิดก็รู้แจ้งเห็นจริงเนะีย่ยเนี่ยลองพิจารณาดูมันไม่ต้องไปกำหนดโอ้ทักำหนดบริกรรมอย่างนั้นได้ดี อ, อย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่าไปคิดเราปฏิบัติอันไหนมันก็ได้ทั้งนั้นแหละบริกรรมอะไรไมันก็ได้ทั้งนั้นขอคอยทำจริงหลวงปูทธทธทธ่เทศเทศสร้างสี ท่านเคยเทศให้ฟังหลวงปู่เทศท่านบอกว่านกอย่างกินป่าพา อ, อหนึ่งไปนั่งอยู่ขอบสะอยู่ใต้ยลมไม้ขอบสะเห็นนกกระยางตัวหนึ่งพาดสายสายว่านกเจ้าตั ว, วเสี้ยวขาวนมันโฉบลงไปในสะ ข้าเอาปาตัวหนึ่งบินไปพระเห็นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนึกในใจอยู่แต่ว่านกอย่างกินปลานกอย่างกินปลาจิตของพระองค์นั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์เลยเป็นพระอรหันต์เลยนะดูสิท่านก็สอนไว้ในพระตรปิฎก แต่ว่านกยางกินปลาเนี่ยมันไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ว่ามันเป็นกุศลเพราะไม่เป็นกลาคาโทสะโมหะมันเป็นกุศลลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอยู่ได้บรรลุมรคผลเป็นพระอรหันต์มันเป็นที่น่าจดจำจริงจริงเพราะนั้นบริกรรมอะไรนึกอะไรขอให้ทำจริงก็ใช้ได้หมดแหละ อย่างเราบริการมพุทโธนี่แลาวทำอยู่กับพุทโธเรื่อยๆมันก็ได้เหมือนกันมันก็ได้มากได้ผลเหมือนกันได้ถึงความสุขคสงบทางใจเหมือนกันได้สมาธิเหมือนกันได้มากได้ผลเหมือนกันได้พระนิพพานเหมือนกันขอให้เราทําจริงปฏิบัติจริงไม่ท้อถอยไม่เกียดข้านหรือไม่เอาใจใส่อะไรอย่างงี้อย่าให้มีในใจเรา ใ, ใจเราพิจารณาถึงความจริงโอ้การทปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้านี่มันดีใจมันสบายใจมันเป็นสุขเราเห็นแล้วเราไม่ได้ไปบำเพ็ญภาวนาภาวนา ม, มานานแสนนานอย่างพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้ทำนานๆนนสร้างกุศลนานๆหรอก เราสร้างกุศลมาก็มีอยู่แหละแต่ว่าจะมากหรือน้อยก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติทำคำสอนของพระเจ้ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้บําเพ็ญบารมีมาเสียสงไข่แสนมหากับก็ตามเราทําตามคําสอนของพระเจ้านี่มันก็หลุดพ้นจากกองทุนได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่หลุดพ้นได้ทั้งๆที่เราก็ ไม่ทราบเหมือนกันแล้วว่าจะสร้างสมคุณงามคดีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พระมาปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้ามันก็ม่จะเป็นต้องไปสร้างวรรคีจุดนานแสนานานหลายกับหลายกันเราทําตามคําสองพระเจ้าเท่านั้นเนี่ยเราก็พ้นจากทุกทั้งผวงได้หมดทุกในใจได้ ไม่ต้องเย็นไหวตายเกิดแนะ่ว่าแต่สงสารนี้ให้ น, ะนานแสนนานยาวแสนยาวไม่ต้องสร้างว่าเรามีนานไปนั้นนะเพียงแต่เราตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเราก็จะเห็นผลแล้วเห็นผลในการปฏิบัติแล้วอย่างที่เราทำอยู่นี่แหละเราก็เห็นผลของการปฏิบัติด้วยใจของเราเอง ใจเราอยู่กับพุทธโธใจเราก็สบายเราคิดได้นึกได้ว่าโอ้พุทธโธนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆถ้าไม่จริงจังจริงๆถ้าไม่เด็ดเดี่ยวจริงๆไม่ได้เป็นรูิเจ้าเป็นหน้าอัศจรรย์แล้วก็เผยแร่ศาสนาคือคำสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามดำเนินตาม ก็ได้พ้นทุกข์มากมายเราไปทำตามที่พระองค์ทรงสอนไว้เราก็ได้เหมือนกันเราก็ได้ความพ้นทุกข์เหมือนกันถึงแม้เราจะบําเพ็ญมามากน้อยแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่รู้หรอกอดีตเราทำมาอะไรบ้างแต่ว่าชาตินี้ภพนี้เราได้เห็นทุระศาสนาแล้วได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมาสมาสัมพุทธเจ้า หรือสถานที่ต่างๆก็มีพุทธกยาก็เป็นที่ตัดสู่ของพระพุทธเจ้าพระราศีก็เป็นที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าปรินิพพานที่สำหรับที่พุทธเจ้าปรินิพพานก็มีอยู่ในอินเดียนะ เราไปเที่ยวอินเดียนี่ก็เห็นเห็นสถานที่เหล่านั้นจิตใจก็สดสังเวชเลื่อมใสในพรธเจ้าผู้นั้นตายไปแล้วไม่ได้ไปตกนรกเลยไปดูซิว่าสถานที่นั้นมันเป็นหลักฐานที่ยังมีอยู่เลยไม่ใช่มันไม่มีไม่ใช่ว่า ปั้นขึ้นมาว่าเป็นนี่คือพุทธเจ้าอย่างนั้นนี่ไม่ใช่สถานที่ที่นั่นมันมีเป็นสักขีพยานอยู่พระเจ้าอโศกสร้างเจดีย์ไว้หมดแหละทำไว้หมดเนี่ยให้ลองคิดดูสิมันไม่ใช่ของไม่มีไม่ใช่ไปชีวชีชเวเอาอันนี้คือธรรมะอันนั้นอันนี้ พระองค์สอนไว้อย่างไรพระอานุ์จําไว้ได้หมดพระอานุ์ตอบปัญหาในคําสอนพระพุทธเจ้าที่สังขารนานะท่านพระอานุ์สวดหรือว่าท่องให้ฟังว่านนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เราจึงเห็นว่าคำว่าเอว่าเมสุตังเอกังสมะยัง ถ้าอ น, นุได้รู้แล้วได้จำไปแล้วได้ที่นั่นที่นี่บอกไว้หมดในพระไตรปิฎกเราไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางเพราะพระไตรปิฎกคือคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังสามารถให้เราทำตามได้อยู่เราทำตามธรรมะเหล่านั้นก็เกิดขึ้นในใจของเราเราก็ถึงความสุขความสบาย หายตกกลางบนในใจอย่างเราไปเห็นสถานที่สำคัญเราก็มั่นใจพ่าพระเจ้ามีอยู่จริงคำสอนพระองค์ก็ยังมีอยู่จริงเราปฏิบัติตามนั้นก็เป็นสาวของพระเจ้าก็สามารถพ้นจากทุกได้ทั้งหมดนี้ให้น้อมลงมาที่ตัวเราน้อมลงมาที่ใจเรา ให้ใจเราเห็นชัดในคําสอนพระพุทธเจ้านั้นเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมากเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นประจักษ์ในคําสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิก็เห็นอยู่คือความเห็นทุกข์สังมาสังกปะความลำลีชอบ สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากมรมตะการงานชอบสัมมาอาชิวะเลี้ยงชีวิตชอบในมรรคทั้งแปดนั่นแหละเราปฏิบัติตามมรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น เรามาไว้ในใจเราให้เราเห็นอยู่ต่อเวลาก็จะเกิดค้อเมื่อนายคายความยินดีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเราก็เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าพองค์ทรงสังสมมานานแสนนาน เราทำตามที่พระองค์ทรงสอนเราก็สบายขึ้นจิตใจของเราก็พ้นทุกข์ขึ้นถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้จริงๆเราต้องทำไปอย่าถอยลังอย่าซักซาลังเลอยู่ให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้แหละ่าไปคิดว่าแก่แล้วึจะมาปฏิบัติ คนหนุ่มคนสาวปฏิบัติได้คำสอนพระเจ้าเป็นอากาลิกโกไม่ประกอบด้วยการทำดีเวลาไหนก็ได้ดีเวลานั้นทำชั่วเวลาไหนก็ได้ชั่วเวลานั้นถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามคำของพระ อ, องค์เราจะพ้นจากทุกได้ทีเดียวจเจริญรุ่งเรืองไปหมดทุกคนมีความสุขไปหมดทุกคน ไม่เรียกชั้นวันนะว่าฝรั่งหรือไทยหรือชาติในๆก็ตามถ้าทำตามคำสอนพทธเจ้าแล้วก็พ้นทุกได้ทุกคนแต่ก่อนที่จะถึงความพ้นทุกได้มันต้องรู้ว่าเออมีพุทธโธอยู่ในใจคำละจิตใจที่เศร้าหมองด้วยกิเลสทั้งหลาย ใจก็จะถึงความบริสุทธิ์เพราะใจมีสมาธิแล้วมันก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็พ้นทุกข์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจรึงชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแม้เกิดแล้วในสุดท้ายภายหลังคำสั่งสอนของพทธเจ้ายังมีอยู่นี่อยู่สมบูรณ์อยู่ เมื่อปฏิบัติตามนั้นก็พ้นทุกได้จริงๆขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้บริกรรมทำสมาธิโดยบริกรรมพุทโธให้คิดว่าพุทโธได้มาอยากมากสร้างสมบารมีให้ฐานรักษาสน์ทำความดีมาตลอดก็จะได้พ้นจากทุกเดี๋ยวมาสอนพวกเรา ก็ถือว่าเป็นยอดเป็นประเสริฐแล้วให้เราตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปขอความสุขความเจริญจุกมีแก่ทุกท่านทุกคนเดิน